หน0หน้าที่ของครูวงเล็บเปิด18พฤศจิกายน2549้า25ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดหน้าที่สสิองวงเล็บปิดสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นหลักทั้งหมดเลยหลวงพ่อไม่เคยพูดเรื่องอุบายยกเว้นแต่อาการสาหัสจริงๆถึงจะสอนอุบายให้แก้ส่วนใหญ่จะสอนแต่หลักการเราก็ไปเจริญสติเอาเราควรจะรู้กายหรือเราควรจะรู้ใจนี่ ไปดูตัวเองว่าเรารู้อะไรแล้วสติกเกิดบ่อยไปรู้อันนั้นแล้วเราก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกของเราไปแต่อย่าลืมหลักที่พระพุทธเจ้าสอนลองผิดลองถูกเช่นเราภาวนาไปเราไปเจอตัวผู้รู้ขึ้นมาบางคนภาวนาแล้วเกิดตัวผู้รู้เราไปจ้องใส่ตัวผู้รู้เอาไว้จ้องไปหลายๆวันนะถ้ามีโยนิโสมนัสิการจะรู้ว่าไม่ถูกแล้วนี่ผิดอีกแล้วเอาใหม่ภาวนาใหม่ตามหลักที่หลวงพ่อสอน ให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจไปซื่อๆตามเป็นจริงได้สักพักเดียวนะเริ่มกระบิดกระบวนแล้วเริ่มมีกระบวน่าปรุงแต่งแล้วเอ๊ทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าเก่าน่าจะดีกว่ารู้เฉยๆนะลองทำอย่างนี้ดูเอาจิตไปไว้ที่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วครึ่งสามกระเบียดอะไรอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะดีหรือเอยียงข้างซ้ายอีกสองอ ง, องศาลองดูเอ๊เข้าทีแฮะทำไปหลายๆวันเอ๊ ใจชักงโงๆอย่างไรชอบกลนอะไรอย่างนี้มันต้องสังเกตนะเราจะลองผิดลองถูกไปเรื่อยแล้วหลวงพ่อจะเฉลยให้เลยพวกเราไม่ได้ลองถูกหรอกพวกเราจะลองผิดตลอดเพราะไม่ว่าลองอย่างไรนะตัณหามันพาให้ลองลองอย่างนี้สิน่าจะดีลองอย่างนี้สิน่าจะดีรับรองที่ลองผิดลองถูกนะลองผิดแน่นอนเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆนะอย่าตกใจ เรียนรู้สิ่งที่ผิดมากเข้ามากเข้าเราจะรู้เลยไอ้นี่ผิดผิดผิดที่ถูกอยู่ต่อหน้าต่อตา น, นี่เองที่ถูกไม่ได้อยู่ไกลๆที่ต้องไปเที่ยวแสวงหาอย่างที่นึกเอาไว้ทุกวันนี้เที่ยวแสวงหาสิ่งที่ถูกนะอยากได้อยากได้ธรรมะเที่ยวแสวงหาใหญ่ทําอย่างไรจะถูกทำอย่างใดจะถูกหยุดทําตังหากละ่ะถึงจะถูกทำไมหยุดได้เพราะมันฉลาดมันโง่งมานานมันรู้ว่าทําอย่างนี้ก็ผิด มหาหลวงพ่อนะถูกตีทุกวันรู้สึกไหมเดี๋ยวถูกตบซ้ายทีตบขวาทีนี่เฉื่อยไปเอานี่เร่งไปไอ้นี่หนักไปไอ้นี่เบาไปานี่ติดสุกมากไปไอ้นี่เคร่งเครียดมากไปนะเห็นไหว่ามีแต่เรื่องทุบซ้ายทุบขวาตบซ้ายตบขวาอันนี้คือหน้าที่ของครูตังหาเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกเครื่องหมายคำพูดเปิดเราจะกระนาพวกเธอนะเหมือนช่างปั้นหม้อนวดดิน ปิดเครื่องหมายคำพูดทุบแล้วทุบอีกทุบซ้ายทุบขวาใครทนได้ก็ได้แก่นใครทนไม่ได้เชิญกลับไปเพราะหลวงพ่อไม่ได้เชิญให้มาแต่ถ้าทนได้นะทนฟังหลวงพ่อจนเข้าใจจนจิตตื่นขึ้นมาจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนที่ไหนนะมันง่ายสุดๆเลยง่ายมากจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้รู้สึกตัวตอนก่อนจะปิดวัดรอบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมารายงานจะหลับจะตื่นรู้สึกตัวตลอดจะนอนเนี่ย จะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดนอนไปแล้วจิตจะขยับตัวไปคิดก็เห็นตลอดเลยนะเนี่ยทั้งหลับทั้งตื่นอัตโนมัติไปหมดเลยไม่มีนะประเภททำไปแล้วดีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเวลาที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติอะไรอย่างนี้ไม่มีฝึกกับหลวงพ่อนะดูทั้งวันทั้งคืนดูโดยตั้งใจดูนะกลางวันนี่แหละกลางคืนไม่ต้องเจตนาดูมันดูเองมันเจตนาไม่ได้นะตอนหลับเกิดฝันไม่ดีแวบเดียวเท่านั้น สติก็ทำงานแล้วกลัวขึ้นมาปั๊บก็ดูปั๊บเลยความน่ากลัวดับทันทีถ้าฝึกไปอย่างนี้ตายไปไม่ตกนรกแล้วนะอาจไปอบายแต่ไม่ตกนรกแน่นอนนะอาจไปอบายยังเสี่ยงๆอยู่นะเพราะนรกมันดูน่ากลัวเวลาเราจะตายเราไปเห็นนิมิตภาพนรกอุ้ยมีปีนต้นงิ้วด้วยเนี่ยจริงๆนรกจะมีงิ้วหรือไม่มีไม่สาคัญหรอกนะแต่ว่าเราชอบคิดว่านรกต้องมีต้นงิ้วกระทะทองแดง ดูโลเทคน่าดูเลยพอนิมิตขึ้นมาปุ๊บใจกลัวขึ้นมาสติทำงานทันทีเห็นความกลัวปับ๊บความกลัวดับจิตเบิกบานตายปุ๊บตอนนี้นะไปสู่สุขติเลยแต่ว่าอบายตัวอื่นยังไม่แน่เช่นนิมิตขึ้นมาเห็นมา้าเห็นลาอุ้ยสวยสวยเป็นคนชอบหรือคนนี้ชอบปรากรดนิมิตเห็นปรากรดอู้ชอบจังเลยสติตามไม่ทันใช่ไหมมันไม่ใช่กลัวแต่มันชอบนี่เรียบร้อย ฉนั้นต้องฝึกไปนะฝึกไปจะปลอดภัยจริงๆต้องได้พระโสดาปิดอบายนอกนั้นยังเสี่ยงกับอบายนะขนาดได้รับพยากรแล้วก็ยังตกนรกได้นะอย่าว่าแต่พวกเราที่ยังไม่ได้รับพยากรเลยฉะนั้นประมาทไม่ได้อบายไปง่ายนะกลับขึ้นมายาก